สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากจิตยพิบาลนะครับเราอยู่ในกฎข้อที่1 0ของ20สิบกฎทองคำชีวิตที่สมานนันชันและดีงามพี่น้องครับในวันนี้เป็นวันศุกร์ครับเราเข้ามาอยู่ในสองประเด็นสุดท้ายของกฎแห่งการได้และการเสียครับพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้จะกล่าวถึงอับราฮัม ปธม ร, รมการบทที่15าข้อที่หนึ่งโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าอยู่มาพระดำรัสของพระเจ้ามาถึงอับรามด้วยนิมิตว่าอับรามเอ๋ยเจ้าอย่ากลัวเลยเราเป็นโลของเจ้าบำเหน็จของเจ้าจะยิ่งใหญ่พี่น้องครับกฎแห่งการได้รับและการเสียในวันนี้ก็คือการรักพระเจ้าโดยยอมเสีย แล้วจะได้รับทีหลังเพื่อนครับอับรามนั้นรักพระเจ้ามีความเชื่อในพระเจ้าและเมื่อพระดำรัสของพระเจ้ามาถึงอับรามอับรามก็รับด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยความหวังครับอับรามเอย๋ยเจ้าอย่ากลัวเราเป็นโลของเจ้าบําเน็จของเจ้าจะยิ่งใหญ่คําว่าบําเน็จยิ่งใหญ่นั้นหมายความว่าพระเจ้าเองนั้นเป็นบําเน็จที่ยิ่งใหญ่ของอับราม พระเจ้าเองนั้นเป็นบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่ของอับราฮัมข้อผีข้อนี้บอกเรากี่ยกับเรื่องของอับราฮัมและหลานของเขาชื่อโลดโลดนั้นถูกศัตรูจับไปครับอับราฮัมไม่ได้โกรธแค้นตอนที่โลดเลือกเอาแผ่นดินแม่น้ำจอแดนไปเหลือแต่ที่ไม่ดีไม่ดีที่รองบ่อนไม่ดีให้กับตัวเองอับราฮัมนั้นยอมสละแม้จะอันตรายถึงชีวิต ไปช่วยกู้โลดกลับคืนมาตาัรรมดาทั่วไปนะครับการกระทําแบบนี้สายตาของคนชาวโลกก็จะคิดว่าอับรามนั้นทําไมถึงโง่อย่างนี้เพราะว่าเสเปรียบครับเพราะาโลกนั้นอยู่กันด้วยผลประโยชน์ได้เปรียบเสียเปรียบอับรามนั้นเดินทางไปพร้อมกับผู้คนซึ่งเป็นคนของเขาไปช่วยกู้โลดกลับคืนมา และเวลานี้ครับพระเจ้าปรากฏกับเขาและตรัตกับเขาว่าอับรามเ อ, อ๋ยอย่ากลัวเลยเราเป็นโลกของเจ้าเราจะประทานบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่ให้เจ้าพี่น้องครับหากว่าพระเจ้านั้นทรงประทานให้เป็นวัตถุสิ่งของนั่นเป็นสิ่งที่มีขอบเขตจากัดครับแต่พระเจ้าทรงประทานพระองค์เองให้นั่นไม่มีขอบเขตจากัดเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเราเป็นโลกของเจ้าเราจะเป็น บาเหน็ตที่ยิ่งใหญ่ให้เจ้าพระองค์ประทานพระองค์เองให้กับอับรามครับเป็นการประทานพระองค์เองเป็นบาเหน็ตที่ยิ่งใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่ถูกจำกัดะอะไรเลยพี่น้องครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญครับเมื่อเรารักพระองค์พระองค์ก็ยินดีที่จะให้เราเป็นของพระองค์ และในขณะเดียวกันครับพระองค์ก็เป็นของเราพระองค์เป็นบําเน็จของเราเองพระองค์เองเป็นบําเน็จของเราครับพี่น้องเมื่อเรารักพระเจ้าไหนที่สุดเริ่มต้นอาจจะดูเหมือนเสียหายแต่สุดท้ายจะกลายเป็นการได้พระองค์มาทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่สุดยอดจริงๆครับพี่น้องครับต้องขอขอบคุณศาสนาจันท ร, ร์ ด็อรฟิลิปเทงที่ได้ไขความลับนี้ให้กับเราพี่น้องข้าพระเจ้าจะประทานพระองค์เองเป็นบําเหน็จให้กับเราครับนอกจากพระองค์จะเป็นโลกของเราแล้วพระองค์ประทานพระองค์เองเป็นบําเหน็จของเราไม่มีขอบเขตจํากัดเลยครับพี่น้องประเด็นต่อไปครับเป็นประเด็นสุดท้ายของกฎข้อที่10นี่แหละครับก็คือกฎแห่งการได้การเสีย คือเรื่องราวของความสัมพันธ์กับพระเจ้าความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นโดยการยอมปฏิเสธตัวเองเพื่อที่จะได้องค์พระบุญเจ้าพระเจนะปรากฏอยู่ในพระธรรมกาลเทียบที่สองข้อยีครับโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าเขาพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระกริตแล้วเขาพระเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในเ้าพระเจ้าชีวิต ซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าพี่น้องครับโปรดฟังอีครั้งครับกาลาเทียบทที่สองข้อยีข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระกิตแล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระกิตต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้สรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าพี่น้องครับนี่คือความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยยอมตรึงตัวเองยอมปฏิเสธตัวเองเพื่อจะได้มาซึ่งพระเจ้าครับเพื่อจะได้พระเจ้ามานั่นคือสิ่งที่ว่ากฎของการได้รับและการเสียอาจารย์เปาโลท่านสแสวงหาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูโดยการสแสวงหานั่นเองครับ เาโลยอมตรึงตัวเองไว้กับพร ะ, พระเยซูปฏิเสธตัวเองยึดมั่นในองค์พระเยซูคริสต์ไม่ใช่ข้าพเจ้าแต่พระคริสต์ต่างหากพี่น้องครับนั่นแหละครับคือการปฏิเสธตัวเองดูเหมือนว่าเป็นการสูญเสียมีใครยอมปฏิเสธตัวเองบ้างครับชาวโลกนั้นเขาชอบแสดงตัวไม่เคยปฏิเสธตัวเองครับไม่มีใครยอมปฏิเสธตัวเอง การนิยมแสดงตัวการทำตัวให้เป็นที่ชื่นชอบชื่นชมการยกตัวเองอะไรเหล่านี้แล่ละครับเป็นยุคสมัยนี้ยึด ต, ตัวเองเป็นศูนย์กลางนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดครับเมื่อคนอื่นค้นพบว่าพระคริสต์ทรงดีกว่าตัวเองมากๆเมื่อนั้นแหละครับเขาจะปฏิเสธตัวเองเมื่อใดก็ตามที่เรา คนพบว่าพระคริสต์ดีกว่าเรามากมายและพระคริสต์รักเรามากมายขนาดไหนและพระคริสต์ทรงมีพระคุณกับเรามากมายขนาดไหนเมื่อนั้นแหละครับเขาจะปฏิเสธตัวเองครับและยึดมั่นในพระเยซูในที่สุดสิ่งที่เขาเสียไปก็คือความไม่ดีของตัวเองราคะตันหางตัวเองตัวเก่าของตัวเองอุปนิสัยที่ต่ําช้าของตัวเองสิ่งที่ได้คืนมา ก็คือชีวิตของพระเยซูที่ได้แบ่งบานในชีวิตของพวกเราพี่น้องครับเมื่ออักระทูตเปาโลปฏิเสธตัวเองต่อมาครับเขาก็ได้กล่าวในคำตรงกันข้ามก็คือซึ่งข้าพเจ้าดำเนินชีวิตยอยู่นั้นพี่น้องครับในขณะที่ตึงมุมแมงเคนกับพระเยซูแล้วทำไมยังมีชีวิตยอยู่ล่ะครับนี่คือสัจธรรมแห่งการได้รับและ การเสียไปที่มีค่ามากที่สุดครับพี่น้องครับนี่คือสัจธรรมแห่งการได้รับและการเสียไปที่มีค่ามากที่สุดพี่น้องครับอาจารย์มารุบอกว่าข้าพเจ้าได้ปฏิเสธตัวเองแล้วแต่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าได้ตรึงตัวเองแล้วแต่ข้าพเจ้ายังเป็นอยู่ข้าพเจ้าที่ตายแล้วข้าพเจ้ายังเป็นอยู่พี่น้องครับปัจจุบัน ข้าพเจ้านั้นคือพระเยซูที่อยู่ในข้าพเจ้าปัจจุบันคำว่าข้าพเจ้านั้นคือพระเยซูที่อยู่ในข้าพเจา้าซึ่งเป็นคนใหม่เป็นคนที่ได้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูซึ่งไม่ใช่ตัวเก่าของพระเจ้าอีกต่อไปแล้วไม่ใช่ตัวเก่าของข้าพเจ้าอีกต่อไปแล้วครับพี่น้องครับการทำแบบนี้ก็คือการที่คนคนหนึ่งรู้ว่าสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตที่เป็นความรัก ที่เแรงขับเคลื่อนเป็นแรงจูงใจก็คือพระเยซูพระเยซูผู้ทรงรักขบะเจ้าและได้ทรงสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อขบะเจ้าดังนั้นเองขบะเจ้าก็รักพระองค์ครับขบะเจ้าอยากจะใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์และยอมเสียสละตัวเองเพื่อพระองค์และนี่คือชีวิตที่เสียสละเป็นชีวิตที่เรียกได้ว่าตรึงบนไม้กางเขนกับพระเยซูครับตัวเก่าของเราตายแต่ตัวใหม่ของเราก็เป็น นี่คือการได้รับที่ยิ่งใหญ่ที่คืนมาเสียชีวิตของตนได้รับชีวิตพระเยซูคุ้มค่าที่สุดครับพี่น้องและเป็นกฎพื้นฐานที่สุดในพันธสัญญาใหม่เป็นคำสอนที่พระเยซูได้ให้ความสำคัญมากที่สุดเราต้องทำความเข้าใจอย่างท่องแท้ลึกซึ้งและยึดไว้ให้แน่นปัจจุบันนี้มีความคิดอย่างหนึง่งเรียกว่าความสาเร็จของชนาศาศ ก็คือเมื่อเชื่อพระเยซูและทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสําเร็จแล ะ, จะเจริญรุ่งเรืองนี่เป็นทัศนติในพันธสัญญาเดิมผู้ที่พระยาเวทรงรักจะเป็นผู้ที่รับพผภาลและบรรดาพรทั้งหลายส่วนใหญ่เป็นวัตถุสิ่งของแต่หัวข้อหลักในยุคพันธสัญญาใหม่นี้พระเยซูตรัสว่าผู้ใดใครจะตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกังเกงของตนแบกตามเรามานี่คือศาราสัจ แห่งไม้กังเขนเป็นศาสนาศาสตร์แห่งการทนทุกข์เป็นศาสนศาสตร์แห่งการเสียสละตัวเองเป็นศาสนาศาสตร์ที่ร่วมตรึงบนไม้กางเขนกับพระองค์พี่น้องครับศาสนาศาสตร์ของความมั่งคั่งศาสนศาสตร์ของความสําเร็จขอศาสนศาสตร์ของความร่ํารวยศาสนศาสตร์ของการมีสุขภาพดีล้วนแล้วแต่เป็นศาสนศาสตร์ที่ขัดแย้งกับพระกัมภีร์ใหม่ทั้งสิ้น พี่น้องครับเป็นาศาสตร์ศาสตร์แห่งการสูญเสียครับแต่ความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะการยอมสูญเสียและเป็นความสําเร็จที่มีเมื่อเราได้รับชีวิตนิรันดร์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะเข้าใจเรื่องราวที่เราจะต้องตรึงตัวเองไว้กับพระเยซูที่เราจะต้องสละชีวิตของเราให้ตัวเก่าของเรานั้นตายไปและให้ ชีวิตของพระเยซูกลายมาเป็นชีวิตของเราครับอาเมีน